เรื่องที่16ความโกรธความโกรธคืออะไรทำความเสียหาย แ, แรงเท่าไหร่และเป็นอริ ก, กับความสงบใจอย่างไรเป็นที่ทราบกันอย่างเต็มอกอยู่แล้วเหลือปัญหาสาคัญอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรจึงจะยับยั้งใจไม่ให้โกรธได้เท่านั้นถ้าท่านไม่มีวิธีอื่นที่ได้ผลโปรดนำวิธีโบราณมาใช้ดู นั่นคือการนับหนึ่งถึงสิบเรามีวิธียับยั้งความโกรธอยู่วิธีหนึ่งที่สั่งสอนกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นทริดีเก่าแก่มากทีเดียวคือการนับหนึ่งถึงสิบแต่มีหลายท่านบอกว่าใช้แล้วไม่ได้ผลคือนับจนถึงสิบแล้วใจก็ยังโกรธอยู่อย่างเดิมแม้จะนับต่อไปถึงร้อยก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น แล้วก็เลยดูถูกว่าเป็นวิธีเหลวไหลไร้เหตุผลความจริงการระงับความโกรธโดยวิธีนับ 1-10 ถึงนั้นเป็นวิธีที่มีเหตุผลใช้การได้ดีและยังทันสมัยอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ขออย่างเดียวจงทำให้ถูกวิธีคือมีข้อสำคัญอยู่สองประการที่จะต้องใส่ใจได้แก่จังหวะที่จะใช้กับวิธีนับ จังหวะที่ใช้ผมหมายถึงว่าเราควรจะนำวิธีนี้ออกมาใช้เมื่อไหร่เราต้องรู้จังหวะไม่เช่นนั้นใช้ไม่ได้ผลเรื่องนี้ผมอยากเรียนเปรียบเทียบให้เห็นความจำเป็นในการเลือกจังหวะอย่างง่ายๆว่าความโกรธที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นอุปมาเหมือนไฟคือก่อตัวขึ้นจากจุดเล็กๆแล้วก็ลุกลามขึ้นใหญ่โตต่อไปดังนี้ ในรูปแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายอรติไปปฏิฆะปฏิฆาไปโกธะโกธะไปโทสะโทสะไปพยาบาทเปรียบเทียบจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาอรติคือใไยไม้เศษกระดาษไปลามไม้มุง้งลามไม้มุง้งลามขึ้นฝาเรือนลามขึ้นฝาเรือน ไปลามขึ้นหลังคาลามขึ้นหลังคาไปลุกโชนทั่วบ้านหมายความว่าจุดเริ่มแรกของความโกรธคืออตัตติความไม่พอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าระงับความรู้สึกไม่ได้ก็ขยายขึ้นเป็นปฏิฆะคือความขัดใจเลยนั้นขึ้นไปจึงเป็นโกทะความโกรธเดือดดันใจและเป็นโทสะความคิดร้ายพยาบาท ความผูกใจที่จะทําร้ายตามลําดับอุปมาเหมือนไฟที่ไหม้เศษกระดาษแวบๆบแบบอยู่เพียงนิดหน่อยหากไม่ดับมันก็ตามขึ้นไปจนกระทั่งไหม้บ้านหมดทั้งหลังก็ได้ที่นี้โปรดนึกถึงการดับไฟตามตัวอย่างนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าวิธีดับไฟตลอดจนเครื่องมือที่จะเอามาดับจะต้องเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมแก่จังหวะ ถ้าเพียงแต่ไฟไหม้เศษกระดาษแวบๆบแบบก็ไม่จําเป็นจะต้องเรียกรถดับเพลิงมาช่วยเคลียร์ให้มันออกไปห่างของอื่นเสียแล้วตะปบทีสองทีมันก็ดับแต่ไฟมันลามขึ้นฝาขึ้นหลังคาเสียแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีไปแต่เมื่อสรุปแล้วการปฏิบัติกับไฟที่ว่านี้ก็มีอยู่2 อ, อย่างคือ 1. เคลียร์ไฟหนีจากของ และ 2. ค้นของหนีจากไฟวิธีแรกใช้สำหรับไฟที่เริ่มไหม่วิธีหลังใช้สำหรับไฟที่ไม่มากแล้วการปฏิบัติต่อความโกรธก็เหมือนกันคือทำจากน้อยมาหามากจากยากไปหาง่ายถ้ารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือมีอรติเกิดขึ้นเลยเพียงแต่เรา พรากอารมณ์นั้นออกไปให้พ้นเสียอรติก็จะระงับและไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุปมาเหมือนเราเขียเศษกระดาษที่ไม่ไฟออกไปให้พ้นตีนมุงเสียเท่านั้นเองการนับ1นถึงนั้นเป็นวิธีผลักอารมณ์ที่เราไม่ชอบออกไปเสียจากใจอย่างหนึ่งคือแทนที่จะให้ใจคิดเรื่องนั้นต่อไปก็ให้มาคิดในการนับ 1,2,3 สองสาไปเรื่อยๆเสียเท่านั้นเองรวมความว่าท่านบูไดจะยับยั้งความโกรธด้วยการนับ 1-10 ถึงจะต้องปฏิบัติตอนที่เกิดรติไม่ใช่ปล่อยให้โกรธแล้วจึงนับเพราะคนเรานี้ถ้าโกรธเต็มที่แล้วจะนับอะไรไม่ได้แม้แต่สองบวกสองก็ยังคิดไม่ถูกจะได้อีกทีก็โน่นแหละ ไปนั่งนับลูกกลงที่สถานีตำรวจโน้นทีนี้วิธีนับวิธีนับที่ได้ผลจะต้องเว้นจังหวะพอสมควรผมลองทดลองดูแล้วที่ได้ผลนั่นจะต้องหายใจเข้าสองหนอออกสองหนจึงนับทีหนึ่งคืออย่างนี้เกิดอรติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่ง หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนับสองไปเรื่อยๆถ้าทำวิธีนี้อารติจะระงับลงได้ส่วนมากนับไปยังไม่ถึงสิบด้วยซ้ำขั้นที่นับแล้วไม่ได้ผลนั้นเพราะไปเริ่มนับเอาเมื่อมันโกรธเสียแล้วนั่นอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนับเร็วเกินไปเล่นนับพลางวิ่งหาไม้ตะพดพลาง 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 หยังไม่ถึงอึดใจเดียวเสียด้วยซ้า